ถามว่ารู้สุขขเวทนารู้ทุกขเวทนารู้อนทุกขมสุขเวทน า, ททน า, อ, ทนาอย่างใดอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นเป็นอารมณ์ปัจจุบันและรู้สัญญาความจำรูปจำเสียงจำกลิ่นจำรสจำผลทพะจำธรรมอารมณ์6อย่างนี้ที่เกิดขึ้นเป็นอารมณ์ปัจจุบันหรือรู้สังขารความนึกความคิดเป็นบุญเป็นบาปและไม่ใช่บุญไม่ใช่บาป ที่เกิดขึ้นเป็นอารมณ์ปัจจุบันความรู้ธรรมอารมณ์คือเวทนาสัญญาสังขารเหล่านี้เป็นลักษณะของมโนวิญญาณความรู้ทางใจใช่ไหมตอบว่าใช่ถูกแล้วท่านเข้าใจได้ความในเรื่องธรรมอารมณ์ถูกต้องแบบแผนดีจริง ถามว่าทุกขอริยสัจกับทุกขในไตรลักษณ์เหมือนกันหรือต่างกันตอบว่าต่างกันทุกขอริยสัจนั้นแคบกว่าทุกขในไตรลักษณ์พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงแต่ส่วนสังขารที่มีวิญญาณเช่นคนหรือสัตว์แบ่งเป็นสองตอน ชาติความเกิดชราความแก่มรณะความตายทุกกายเหล่านี้ที่เป็นเองไม่ประกอบด้วยกิเลสนี่ต่อนหนึ่งทุกตัแต่โสกะความโศกปริเทวะความบ่นร่ำไรรำพันโทมนัสความทุกข์ใจอุปายาตความคับแค้นก็ล้วนเป็นทุกข ปภิเยหิสัมปโยโคทุกโขความประสบกับสัตว์และสังขารที่ไม่เป็นที่รักเป็นทุกข์ปภิเยหิวิปโยโคทุกโขความพลัดพรากจากสัตว์และสังขารซึ่งเป็นที่รักเป็นทุกข์ยามปิดชังนลาปฏิตํมปิทุกขงังปราถนาสิ่งใดย่อมไม่ได้แม้ข้อที่ไม่สมประสงค์นั้นเป็นทุกข์สังคิตเตนะปัญจุ ป, ปาทานคขันธาทุกขา โดยย่ออุปาทานนักขันทั้งห้าเป็นทุกข์ทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้เป็นทุกข์ของคนที่ประกอบด้วยกิเลสตั้งแต่โซกะจนถึงความยึดมั่นในขันห้าเหล่านี้ไม่มีแก่ท่านผู้ไม่มีกิเลสและสุขเวทนาไม่มีในทุกขสัตว์ส่วนทุกข์ในไตรลักษณ์นั้น กว้างทั่วไปในสังขารที่มีวิญญาณครองและไม่มีวิญญาณครองส่วนเวทนาก็รวมหมดทั้งสุขเวทนาทุกเวทนาอทุกขมสุขเวทนาคงรวมเป็นทุกขลักษณะดังพระพุทธภาษิตที่ตรัสไว้ว่าสัพเพสังขาราทุก ข, ขาสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์ และทุกในไตรลักษณ์เป็นสภาวะทุกล้วนๆไม่ประกอบด้วยกิเลสถามว่าทุกขเวทนาทุกขอริยสัจทุกในไตรลักษณ์ก็ต่างกันเช่นเวลาเจ็บไข้ก็เป็นทุกขเวทนาเวลาหายเจ็บสบายดีแล้ว ก็เปลี่ยนเป็นสุ ข, ขเวทนาส่วนทุกขอริยสัตว์และทุกในไตรลักษณ์ไม่มีเวลาเปลี่ยนเป็นสุขบ้างหรือตอบว่าไม่มีเวลาเปลี่ยนเป็นสุขคงมีแต่ทุกขส่วนเดียวเพราะชาติรามรณะทุกสี่อย่างนี้มีประจําอยู่ในร่างกายเป็นประเภททุกข์สัตย์ เพราะฉะนั้นสุขในอริยสัจจ์จึงไม่มีคงมีแต่ทุกขสัิย์ส่วนทุกข์ในไตรลักษณ์นั้นสุขเวทนาทุกขเวทนาอาทุกขมะสุขเวทนาทั้งสามอย่างนี้ก็เป็นทุกข์ในไตรลักษณ์และขันอายตนะธาตุนามรูปชีวิตจิตใจก็เป็นทุกข์ในไตรลักษณ์หมด ตลอดกระทั่งสังขารที่มีวิญญาณครองและสังขารที่ไม่มีวิญญาณครองก็เป็นทุกข์ในไตรลักษณ์เพราะฉะนั้นสุขในไตรลักษณ์จึงไม่มีคงมีแต่ทุกข์ในไตรลักษณ์ผู้ถามกล่าวว่านาอัศจรใจเมื่อความจริงมีแต่ทุกข์ ทั้งสังขารที่มีวิญญาณครองและไม่มีวิญญาณครองทำไมจึงไม่รู้ว่าเป็นทุกข์จึงตั้งใจสแสวงหาสุขตอบว่าก็เพราะชอบสุขเวทนาจึงเป็นเหตุให้เกิดตัณหาสามเพราะไม่รู้ว่าสุขเวทนาก็เป็นทุกข์ในไตรลักษณ์ ผู้ถามกล่าวว่าเราไม่ได้กําหนดตามความเป็นจริงจึงสําคัญว่าจะหาสุขได้ในเหล่าสังขารอาวิชชาภวะตัณหาจึงเกิดในใจได้มากสังสารวัฏจึงไม่มีที่สุดตอบว่าเพราะสังขารที่มีวิญญาณครองและไม่มีวิญญาณครองเป็นทุกข์อยู่เสมอไม่มีสุข ผู้ที่มีรู้ความจริงอัธยาสายใจคอนั้นชอบสุขทุกข์ไม่ชอบจึงสแสวงหาอามิสุขคือรูปเสียงกลิ่นรสโพธพัพที่ดีเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนารันหามาได้ก็กำหนัดยินดีติดอยู่เพลิดเพลินพัวพันเกิดสุขสมนัตในกามเหล่านั้นรันกามอารมณ์ที่ตนชอบเหล่านั้นวิบัติไป จึงเกิดความเดือดร้อนเศร้าโศกเสียใจเพราะกามารม์ทั้งหลายเหล่านั้นก็เป็นสังขารที่มีวิญญาณครองและไม่มีวิญญาณครองถามว่าสุขที่เกิดแต่ความยินดีในกามไม่ใช่เวทนาขันส่วนเดียวมีกิเลสเข้าประกอบอยู่ด้วย ส่วนเวทนานั้นเป็นทุกข์ความกำนัดยินดีนั้นเป็นสมุทยัยแม้จะสแสวงหากรร ม, มารณมในโลกที่ดีๆมาให้มากสักเท่าใดก็คงได้มาสองอย่างคือทุกข์กับร้อนตอบว่าถูกแล้วเพราะฉะนั้นพราอริยส า, าวกผู้สดับแล้ว บึกใจในคำสอนของพระผู้มีพระภาคจึงไม่สแสวงหากรรมไม่สแสวงหาภพเพราะความยินดีในกรรมในภพนั้นเป็นสมุทยัยส่วนกรรมและภพนั้นเป็นทุกข์เพราะเป็นสังขารแต่ยังสแสวงหาพระมจ ร, ริย์อยู่เพราะท่านยังไม่เสร็จกิจเช่นพระเสขาบุคคล ส่วนพระอาเศขบุคคลหรือพระอาหารหันนั้นเสร็จกิจแม้พรมจันทร์ท่านก็ไม่แสวงหาที่เรียกว่าอาริยวาสธรรม